มักจะพูดว่าไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อไปหาแม่ไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาทําสมาธิเจริญสติแต่กลับมีเวลาในการติดตามข่าวสารในการบ้านเมืองหรือเรื่องราวของ ผู้คนนะโดยเฉพาะคนดังวันวันหนึ่งนี่ก็หมดเวลาไปกับเรื่องแบบนี้นี่หลายชั่วโมงทีเดียวนะโดยเฉพาะในยุคนี้นที่เราสามารถจะติดตามข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือได้แต่ก่อนเนี่ยจะติดตามข่าวสารทางหนังสือพิมพ์มันก็มีให้อ่านไม่มาก ตอนหลังเนี่ยจะติดตามทางโท ร, โ ท, รทัศน์นะมันก็มีเวลาที่จํากัดมีไม่กี่ช่องนะ่ะเจอนี้โอ้โทรศัพท์มือถือที่มันพาเรานะไปติดตามนะซอกซอนเรื่องราวนะของอะไรต่างๆอะไรต่างๆมากมายทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองะ ี่ก็คือเรื่องราวของผู้คนยิ่งมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เช่นการทะเลาะเบาแวงของคนดังดารานางแบบหรือว่าดารานี่เาหย่ารัางกันนะแล้วก็ถึงขัน้นทะเลาะเบาแวงกันคนยิ่งติดตามเข้าไปใหญ่ ยิ่งจะเป็นเรื่องราวของคนดังที่เกิดมีกานเป็นไปขึ้นมาแถมมีเงินงำด้วยนะโอยผู้คนนี้ก็ติดตามยังไม่ลดละเลยไม่ว่าทาง Youtube ไม่ว่าทางเว็บไซต์หรือว่าทาง Twitter รรวมทั้ง Facebook นี่ หมดเวลาไปกับมันนี่เป็นชั่วโมงช่วโมงหลายชั่วโมงเลยทีเดียวทำไจึงเป็นอย่างนันนะไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองหรือกับคนที่เรารักนะแต่ว่ามีเวลาไม่อันนะกับเรื่องราวข่าวสารนะซึ่งบางทีก็ไกลตัวมากเหลือเกิน อ น, นี้เพราะว่าคนเราเนี่ยมีธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคือความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นนี่มันก็มีอยู่ในธรรมชาติของทุกคนแแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มันมีสิ่งต่างๆที่ไม่เพียงแต่สนองความอยากรู้อยากเห็นของเราอย่างไม่สิ้นสุดนะแต่ว่ามันยังมี หลายสิ่งหลายอย่างที่กระตุน้นความอยากรู้อยากเห็นนะของผู้คนด้วยโดยเฉพาะเรื่องราวของคนดังดารานางแบบศิลปินยิ่งถ้าเป็นเรื่องร้ายๆเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันหรือเรื่องของการสูญเสียชีวิต อย่างมีเงินยำหรืออย่างไม่ถูกต้องไม่สมควรเนี่ยคนยิ่งติดตามนะอย่างไม่ลดละเลยในความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นความจริงเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นความอยากรู้อยากเห็นว่าใครผิดยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดเนี่ยโอ้คนยิ่งต้องติดตามขึ้นไปใหญ่ธรรมชาติคนเราก็อยากรู้นะใครผิดแล้วอยากรู้ว่าใครผิดไม่พอนะมันอยากจะไปจิกกัดหรือว่าจิกตบนะคนที่ตัวเองมองว่าหรือสรุปว่าผิดด้วยอันทําไมถึงมีความนะอยาก รู้ว่าใครผิดอยากรู้ว่าใครทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะพ่มันอยากจะไปหยิกกัดนะจิกตบนะคนที่ไม่ถูกคนที่ผิดเพราะว่ามันสะใจแลหลายคนก็ตั้งตัวนะเป็นสารเตี๋ยนะก็ดวนตัดสินว่า คนที่ผิดคนนั้นผิดแล้วก็ไม่ลดลาวาสอกในการนะต่อว่าด่าทอดนะิกกัดจิกตกมันสะใจดีนิ่ง้อยมันก็ตื่นเต้น น, ะน่าร้าใจอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับผู้คนกับความเป็นไปนะของสังคมเนี่ย มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแลก็เป็นไปนะต่อเนื่องกันมานานทีเดียวเพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงเด่นชัดนะเท่ากับยุคนี้หรือระยะหลังเพราะว่ามันมีสิ่งที่สามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนได้มากมายเหลือเกินหลายช่องทางมากเหลือพอทางโซเชียลมีเดียและมันไม่แค่ตอบสนองนะมันกระตุ้นด้วย สื่อต่างๆนี้ก็เก่งนะในการที่จะขุดคุ้ยหรือว่าชูประเด็นเรื่องราวความขัดแย้งต่างๆให้เป็นข่าวเพื่อคนจะได้กระโดดลงไปติดตามด้วยความอยากรู้อยากเห็นทั้งที่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะมันไม่ใช่แค่เสียเวลาอย่างเดือนนะมัน เสียความรู้สึกหรือเสียอารมณ์ด้วยเวลาเห็นคนทะเลาะ ก, กันด่าทอกันหรือเห็นใครที่มีพิรุษมีเงินงำเมื่อเกิดความโกรธความเกลียดใจนึงก็รังเกียจแต่ใจนึงก็อยากจะติดตาม ไม่ลดละเลยจนบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนในความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักควบคุมมันนะวมันสร้างปัญหาให้กับคนเรามากเลยทีเดียวมันไม่เพียงแต่ทำให้เราเสียเวลาทำให้จิตใจเรานะเป็นทุกข์หรือว่าเต็ไมไปด้วยอกุศล น, นะแต่ว่า ยังทำให้ชีวิตเรานี่ย่ำแย่ไปด้วยเพราะว่าเราก็กลายเป็นเหยื่อกลายเป็นเหยื่อของสื่อที่เขาพยายามที่จะกระตุ้นนะความอยากรู้อยากเห็นของเราแล้วก็เสนอสนองปลนเป ล, ปลความอยากรู้อยากเห็นแล้วบางทีก็ทําถึงขั้นเรื่องล่าเกลียดทีเดียวนะไปแอบถ่ายสิ่งที่ เจ้าตัวไม่พึงประสงคนะ์เพื่อมาสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนแล้วผู้คนก็คนที่ตกเป็นขาวก็เป็นทุกขนะ์บางทีพอถูกต่อว่าด่าทอนะพอถูกด่วนตัดสินว่าเป็นคนผิดเป็นคนไม่ดีนี่ก็ทนไม่ไหวค่าตัวตายแล้วก็มีนะทนไม่ไหวโดอเฉพาะคนที่นะ เป็นดาราเป็นคนดังมีชื่อเสียงบางทีเราไม่ค่อยได้ถามมันเนาะอยากรู้อยากเห็นไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยได้ถามเท่าไหร่บางทีไม่ใช่แค่อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคนอื่นนะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยบางทีมันก็อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตนเองหรืออยากรู้อยากเห็นว่า คนหนึ่งเขพูดถึงเราว่าอย่างไรอย่างสมมติมีเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยเขาพูดถึงเธอนะเขาดินทาเธอนะเลือกคนกืส่วนใหญ่เลยร้อยท้องร้อยเลยพอได้ยินเพื่อนพูดแบบนี้ก็จะถามเลยเขาดินทาฉันว่าอย่างไรแล้วเขาพูดถึงฉันว่าอย่างไรแล้วพอรู้เข้าเนี่ย ร้อยทั้งร้อยเลยนะก็จะเดือดดานก็จะโกรธนะจาน้างที่ก็ควรจะรู้หรือน่าจะรู้ตั้งแต่แรกนะว่าถ้าเพื่อนบอกนะว่าคนนั้นคนนี้เขาดินทาเธออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็จะรับไม่ได้บางทีรู้ทั้งรู้นะแต่เพราะความอยากรู้อยากเห็นว่าเขาพูดถึงฉันว่าอย่างไงเขานินทาฉันว่าอย่างไงมันทําให้อยากจะรู้ความจริง แต่รู้ไปไม่มีประโยชน์เลยรู้ไปแล้วก็ทุกข์รู้ไปแล้วก็กรกับไม่ได้แล้วรู้ไปทำไมนะแต่ว่าเป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็นนี่มันแรงมากเนะี่ยหักห้ามใจไม่ได้พอได้รู้สมอยากเขา้าเกิดความทุกข์เกิดความแค้นนะถ้าคนที่เขามีสตินะเขาจะ เมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยทนฟังคำตอบหรือความจริงไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่สนใจที่จะรู้ใครเ็าเจะดิ้นทานฉันว่าอย่างไรนเธอไม่ต้องเล่าฉันฟังหรอกเนะี่ขารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ถามรู้ไปแล้วมีโทษด้วยแต่ว่าเป็นพ่อคนเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้เฉลียวใจนะถึงโทษของความอยากรู้อยากเห็นเนี่ย ความอยางรู้อยากเห็นนี่บางทีมันก็เป็นอันตรายนะมีคนเปลี่ยมันก็ว่าเสือเนี่ยนะมันอยากกินลิงเนี่ยแต่ลิงก็ไม่ยอมลงมาจากต้นไม้นะเสือมันก็อุตส่าห์รอรอแล้วรอเล่าลิงก็ยังไม่ลงมาจากต้นไม้เสือมันทำยังไงนะเสือมันก็ซุ่มนะอยู่ หลังพุ่มไม้แล้วมันก็โผล่โผล่หางม า, าหางนั้นก็กระดิกไปกระดิกมาลิงเนี่ยมันเห็นหางกระดิกไปกระดิกมามันอยากรูอยากเห็นมากมันคืออะไระมันหักห้ามใจไม่ได้นะมันก็เลยลงไปนะลงจากต้นไม้ไปที่พุ่มไม้อยากจะดูว่าไอ้หางที่กระดิกนั้นคืออะไรบอกว่า ยังไปไม่ถึงหางเนาะก็โดนเสือนิขม่ำเนี่ยเพราะเสือมันรู้นะว่าลิงเนี่ยมันมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วมก็ใช้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยของลิงเนี่ยนะมาเป็นประโยชน์นะพู้ง่ายคือว่าลิงมันก็ตกเป็นเหยื่อเพราะความอยากรู้อยากเห็นเดี๋ยวนี้เสือเงนินมากเนี่ยก็นะ ใช้ความอยากรู้อยากเห็นของคนเนี่ยเพื่อมาล่อให้ผู้คนนี่ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าพอคนสนใจเรื่องราวข่าวสารของดารายโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันมีเงินงำโอ้ยพอคนสนใจมากๆนี่เรตติ้งก็สูงโฆษณาก็เข้ามา อันนี้ก็เป็นวิธีการหากินนะหรือหาเงินของสื่อที่อาศัยความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนคนไม่ตระหนักนะว่าตัวเองเป็นเหยื่อนะเพราะความอยากรู้อยากเห็นที่จริงเนี่ยเหตุการณ์ข่าวสารเรื่องราวของผู้คนหรือเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะถ้าเรามองเป็นก็เห็นทำจาก เรื่องราวข่าวสารเหตุการ์เหล่านั้นได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ได้คิดที่จะเรียนรู้อะไรจากเหตุการ์หรือข่าวสารเหล่านั้นเลยนะมันแค่อยากจะเจออยากจะรู้อยากจะสัมผัสกับความตื่นเต้น ความสะใจนะโดยเพราะถ้าหากว่าเจอใครเจอคนผิดหรือว่าสรุปว่าใครเป็นคนผิดก็ได้สะใจความโกรธนะอย่างที่เรียกว่าเนี่ยหิกกัดหรือว่าจิกตีนะมันสะใจของผู้คนก็ดูเหมือนเป็นความพอใจนะแต่ที่จริงมันก็เป็นการสะสมอกุศล ในจิตใจของผู้คนอันถ้าเราเพียงแต่ถามว่าเออรู้ไปแล้วได้ประโยชน์อะไรมันก็จะได้สติขึ้นมานะไอความตื่นเต้นความสะใจที่ได้มันไม่คุ้มเลยนะกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเสียไปในทางตรงข้ามถ้าเรารู้จักมองนะเราก็ได้ประโยชน์นะเพราะอะไรก็ตามเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าเรารู้จักไคร้ครวญ นะเช่นทำให้เรานะได้สติเกิดความไม่ประมาทนะหรือว่าเห็นท่วงความเด่นดังเห็นโทษขงความมีชื่อเสียงโอ้เราสามารถที่จะสรุปบทเรียนหรือได้ธรรมะจากนะเรื่องราวข่าวคราวหรือเหตุการณ์ต่างๆได้มากมายแต่ถ้าเราเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็นตัวตั้งนะโอ้มัน มันก็ได้แต่ความตื่นเต้นความสะใจนะซึ่งในระยะยาวก็เป็นโทษนะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย่จริงถ้าอยากรู้อยากเห็นนะอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของกายและใจของเราเองจะดีกว่านะเพราะว่ากายและใจนี่มันก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้มากมายนะถ้าทกคนเราเพียงแต่อยากรู้อยากเห็นในเรื่องของกายและใจเนี่ย เรื่องหนึ่งนะของความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวข่าวคราวของผู้คนหเหตุการณ์บ้านเมืองนี่โอ้คนเรานี่จะมีปัญญามากทีเดียวมันมีอะไรที่เราสามารถจะียนรู้นะจากกายของเราได้มากนะเพราะถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายเนี่ยเราก็จะปฏิบัติต่อกายได้ถูกต้องอย่างเช่นเรื่องการกินการกินการนอนการพักผ่อนเนี่ยถ้าเรารู้จัก หรือเรียนรู้จากกายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าควรจะกินอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราหรือช่วยทำให้สุขภาพกายของเราดีขึ้นแล้วถ้าเราเรียนนะจากกายนะเราก็จะพบว่าเนี่ยไอสิ่งที่เราควรกลัวเนี่ยนะหรือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็คือสิ่งที่เราชอบนะ เราชอบกินอะไรเนี่ยสิ่งนั้นเราต้องระวังมากเลยเพราะว่ามันสามารถจะเป็นอันตรายนะต่อร่างกายของเราได้ที่ว่าเป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่บรญญับบัญยังเราไม่ได้ประมาทในการกินเพราะมันเป็นของชอบเนี่ยนะคนที่ชอบกินของหวานคนที่ชอบกิน อ, อาหารปิ้งย่างทอดนะชอบกินของมันๆ น, นะอันน้แล้วแต่ เกิดโรคเกิดภัยนี่ก็เพราะสิ่งที่ชอบทั้งนั้นแหละไอ้สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันไม่เคยทําให้เราเจ็บป่วยเท่าไหร่เลยคนเราทุกวันนี้เจ็บป่วยเนี่ยโรคหัวใจโรคเบาหวานไตไวายเนี่ยสุขภาพย่าแย่ก็เพราะของชอบนั้นแหละนี่เฉพาะของกินนะยังไม่น่าถึงของที่อชอบอย่างอื่นนะเช่นเรื่องข่าวคราวข่าวข่าว เหตการของผู้คนที่มันน่าตื่นเต้นน่าติดตามเนไอ้ของชอบอันนี้ก็สร้างปัญหากับผู้คนมากอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่แต่ถ้าเราสังเกตหรือว่าเราจักเรียนรู้จักกายเนี่ยเราจะรู้เลยนะว่าไอ้ของชอบเนี่ยนะของกินที่เราชอบเนี่ยนะต้องระวังต้องรู้จักประมาณนะยิ่งพอมีอายุมากนี่ยิ่งต้องห่างๆมันเพราะไม่งั้นร่างกายเราจะแยมแย่ แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปให้ร่างกายย่ำแย่นี่ยพ่อไม่ได้เรียนรูนะ้จากกายของตัวเลยแล้วถ้าเรียนรู้ไปก็จะเห็นได้ว่านะให้ร่างกายเราเนี่มันก็มีแต่แปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ดูแลไม่ปฏิบัติกับร่างกายอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะเจ็บป่วยแล้วพอเจ็บป่วยแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักเรียน จากกายของเราเนี่ยเราก็จะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยที่จริงเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะถ้าเรารู้จักอยาถ้าเราอยากรู้อยากเห็นอย่างถูกต้องเนี่ยมันได้ประโยชน์นะหลวงปู่ขาวท่านเคยกล่าวว่าเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะมีทุกขเวทนามากเนี่ยอย่าไปอยากหายนะจากทุกขเวทนานี้เพราะมันมีแต่จะเพิ่มตัวสมุทรไทยทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นให้อยากรู้อยากเห็น นะทุกขเวทนาที่มันแสดงหรือที่มันอยู่ที่กายกับใจนะอย่างนี้แหละที่เราควรอ ย, อยากรู้อยากเห็นมากกว่าไม่ใช่ไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องดาราเรื่องคนดังอยากรู้อยากเห็นนะความจริงจากทุกขเวทนานะที่มันเกิดกับกายและใจเราถ้าเราอยากรู้อยากเห็นแบบนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์นะแล้วมันก็จะรู้ว่าเนี่ย ให้ทุกขเวทนาเนี่ยนะถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกแต่กายนะมันทุกใจด้วยแต่ถ้าเราวางใจเป็นนะรู้จักอมองเนี่ยมันก็จะทุกกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกแล้วขนาดเดียวกันไอความทุกขของกายมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นเลยนะว่าโอ้ไอสังขารของเราเป็นทุกขจริงๆนะไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยเนี่ย ถึงจะเห็นความจริงตรงนี้ในยาแม้ในเวลาที่ไม่เจ็บป่วยสุขภาพดีเนี่ยถ้าเราอยา ก, ร, ยาก ร, รู้จยาเห็นหรือรู้จักเรียนจากกายก็จะเห็นเลยนะว่ากายที่มันเป็นตัวทุกข์ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยนะแค่นั่งนานๆไม่ว่าอยู่ในท่าไหนเนี่ยทีแรกมันก็สบายแต่พอนั่งในท่านักสักชั่วโมงหนึงเนี่ยหรือไม่ถึงชั่วโมงเนี่ย มันก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยนะพอเปลี่ยนเรียบบทนะพิงเสามันก็สบายนะแต่สักพักก็จะเริ่มปวดเริ่มเมื่อยอา่านอนดีกว่านอนก็สบายนะแต่พอนอนไปนานๆนี่ก็ปวดก็เมื่อยต้องพลิกตัวยิ่งนอนติดเตียงไปแล้วนี่ยิ่งแย่เข้าไปเลยอนนี้เราก็สามารถจะเรียนจากกายได้นะ ถ้อยากรู้อยากเห็นเนี่ยมาอยากรู้อยากเห็นความจริงของกายมันจะเห็นตัวทุกขเห็นว่ากายนี่เป็นทุกนะที่ไม่น่าจะยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นได้เลยหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ไปซ้ําเติมให้มันทุกข์มากขึ้นด้วยการปฏิบัติต่อร่างกายอย่างไม่ถูกต้องใจก็เหมือนกันนะถ้าอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมาอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวความจริงของใจดีกว่า มันสังเกตดูใจนะใจมันเป็นอย่างไงมันขึ้นมันลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบนะให้เห็นเลยนะว่าใจนี่มันไม่เที่ยงหรือว่าอารมณ์ต่างๆไม่ใช่แค่อารมณ์อีกเดีวยวนะความคิดด้วยนะความคิดเราก็เปลี่ยนไปอยู่เรืนะ่อยบางครั้งเนี่ยคิดอะไรได้ใหม่ๆสดๆร้อนๆเโอ้ย รู้สึว่าความคิดนั้นมันดีเหลือเกินมันเยี่ยมเหลือเกินนะแต่พอผ่านไปสักวันสองวันเนี่ยไม่เอาละเปลี่ยนใจแล้วนะความคิดเมื่อกี้นี่ไม่เข้าท่าเลยแต่ว่าตอนที่เห็นว่ามันเยี่ยมมันยอดนะก็พยายามปกป้องความคิดนั้นจนถึงขั้นทะเลาะเบาแงกับผู้คนต้องแบบนี้สิแบบนั้นสินะนะเพราะมันดี แต่พอเวลาผ่านไปมันกลายเป็นความคิดที่ไม่ข้อท่าไปซะแล้วเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดงนถ้าเราสังเกต ด, ดูใจเราก็จะเห็นเลยนะว่าความคิดและอารมณ์เนี่ยหรือว่าใจเราไม่เที่ยงนั่นก็จะเห็นต่อไปวนะ่ามันความคิดและอารมณ์เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ตอนที่ไม่สังเกตเนี่ยก็ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราไปสําคัญมากมาว่ามันเป็นเราเป็นของเรายอมเถียงเอาเป็นเอาตายกับผู้คนมากมายเพื่อปกป้องความคิดนั้นใครไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ก็แสดงว่าไม่ชอบเราไม่เห็นด้วยกับเราก็กลายเป็นความโกรธความเกลียดนะบางทีถึงขั้นไม่มองหน้ากัน ตัดญาติขาดมิแต่จริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเรามาตั้งสติดูก็จะเห็นนะว่ามันมาแล้วก็ไปความคิดใดเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เราอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีใจเสียใจโกรธมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ก่อนหลงนะเพราะไม่รู้พอเกิดทีไรก็เราโกรธพอเกลียดทีไรก็เราเกลียด นะพอเศร้าทีไรก็เราเศร้านะเราเป็นผู้เศร้าเราเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดนะอันนี้พอไปยึดว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นเราเป็นของเราแต่พอเรามันสังเกต ด, ดูมันโดยเพราะด้วยสตินเนี่ยจะเห็นเลยเนาะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะไม่ควรจะเอาเป็นเอาตายหรือยึดมันสำคัญมากกับมันอันนี้คือสิ่งที่เรา สามารถเจเรียนรู้ได้นะจักใจและเรียนรู้แบบนีนะ้มันมีประโยชน์นะมันช่วยทําให้เราปฏิบัติต่อกายและใจอย่างถูกต้องนะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือไม่ปล่อยให้อารมณ์ต่างครอบงำํำใ้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะถ้าเรามาใช้ให้ถูกต้องเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะและถ้าเราดูแลมันดีๆเนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นความ ใยรู้ใ่เรียนนะมันจะไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็นนะธรรมดาธรรมดามันจะเป็นความใยรู้ใ่เรียนนะถ้าเรามีความใยรู้ใยเรียนเนี่ยไม่ว่าเจออะไรไม่ว่ามีประสบการณ์อะไรจากผู้คนจากสิ่งแวดลอ้อมหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับการและจา่ายมันก็ได้เรียนรู้เกิดปัญญานะซึ่งช่วยทําให้ เรามีความทุกข์น้อยลงโดยเพราะเลาะเห็นว่าโอ้ยที่ทุกข์ใจเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งภายนอกมันไม่ใช่เป็นเพราะรูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมากเท่ากับใจของเราที่ไปให้ค่านะว่าบวกว่าลบใจที่ผักใส่ไม่ยอมรับนะหรือว่าเป็นเพราะไปยุดติกับความคาดหวังนะพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง นะก็เกิดความเสียใจเกิดความคับแค้นหรือเป็นเพราะความยึดติดถือมัน่นะในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางงั้นถ้าเราฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนจากการละใจมันก็จะเห็นเลย น, นะว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ห น, น, นอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การวางใจไม่ถูกต้องอยู่ที่การมไม่มีสตนะิอยู่ที่ความหลงนะถ้าไม่อยากทุกข์นี่ก็ไม่ต้องไป จัดการกับสิ่งภายนอกเพอะบางอย่างก็จัดการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าจัดการที่ใจของเราเนี่ยนจากความรู้สึกลบเป็นความรู้สึกบวกหรือความรู้สึกกลางๆงจากที่เคยยึดก็ก็รู้จักวางมันลงจากที่เคยคาดหวังยึดมาในความคาดหวังก็ไม่ยึดในความคาดหวังนั้นเพราะรู้ว่าไอ้ความอยากหรือความคาดหวังนี้ มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยความรู้อย่างนี้เนี่ยนะมันทําให้เราเป็นทุกข์น้อยลงด้วยมันทำให้ชีวิองเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไม่รู้ทันในความอยากรู้อยากเห็นนะในความอยากรู้อยากเห็นมันก็พาเราเข้าโลกเข้าพงแล้วก็กลายเป็นอันตรายต่อเราได้อย่าปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นนี่มันมาคลองจิตคลองใจ จงกระทั่งเราขาดสติตรู้จักจับยังชั่งใจไม่ไปล่อยให้มันครอบงำนะรู้จักความพอดีหรือว่าเปลี่ยนจากความอยากรู้อยากเห็นเพื่อสนองอารมณ์ความอยากตื่นเต้นอยากเสพอารมณ์ต่างๆมนะาเป็นความอยากใครครวน นะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตไอ้แบบนี้มันมีประโยชน์มากกว่าข้าในื้อพุทธนี้นะกลับครับ